ธรรมบทแปลเรื่องการปราชัยของพระเจ้าโกศลภาคที่6เรื่องที่159พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบความปราชัยคือพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศลตรัสธรรมเทศนานี้ว่าเชยังเวรังปรสสาวะติ เป็นต้นตอนอาแพ้หลานได้ยินว่าพระเจ้าโกชนนั้นทรงอาศัยกาศิกาคามรบอยู่กับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นพระเจ้าหลานใั้พระเจ้าอาชาติศัตรูให้แพ้แล้วสามครั้งในครั้งที่สามทรงตําริว่าเราไม่อาจจะทำเด็ก ซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมให้แพ้ได้ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่ของเราท้าวเธอจึงทรงตัดพระกยาหารสเสด็จบัรทมบนพระแต่นกระนั้นความเป็นไปอันนั้นของท้าวเธอกระชอนไปทั่วปนัน ก, ก่อนภิกษุทง้งหลายกราบตูนแก่พระตาตาโกดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ยินว่าพระราชาทรงอาศัยกาศิกคาคมอันพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ทรงปรชาชัยแล้วสามครั้งบัดนี้เท้าเธอทรงปรชาชัยกลับมาแล้วทรงตัดพระขยาหารบันทมบนพระแท่นด้วยทรงดำริว่าเราไม่อาจจะทำเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมให้แพ้ได้ประโยชน์อะไร ด้วยความเป็นอยู่ของเราพระศาสดาสดัตบคตาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่ผู้ชนะย่อมก่อเวรฝ่ายผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เหมือนกันดัง น, นี้แล้วจึงตรัสพระคาทานี้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวนผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้สงบระงับและความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขบาลีว่าชัยังเวรังปาสาวติทุขังเสติปาราชิโตอุปัสสันโตสุขังเสติหิตวาชะยะปาราชยังในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชัชยังคือผู้ชนะ หมายความว่าผู้ชนะผู้อื่นย่อมกลับได้เวรคาว่าป ร, ราชิโตแปลว่าผู้แพ้หมายความว่าผู้อันคนอื่นทำให้แพ้แล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์คือย่อมอยู่ลำบากในอริยบททั้งปวงทีเดียวด้วยคิดว่าในการไรเล่าหนอเราอาจเห็นหลัง ของปัจจามิตรก็คำว่าอุปสันโตแปลว่าผู้สงบระงับหมายความว่าพระกี่นาศผู้มีกิเลสมีราคาเป็นต้นในภายในสงบระงับละความชนะและแพ้ได้ย่อมอยู่เป็นสุขคือย่อมอยู่สบายแท้ในอริยบททั้งปวงในการจบเทสนะชั่วเป็นนันมาก บรลุริยผลตัองหลายมีโสดาปัิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องการร拉ใจของระเจ้าโกศลจบว่าด้วยสงครามสูตรที่หนึ่งปฐมสังฆามาสูตรสังยุตตินิยเล่มที่ส5บห้าข้อที่ส6 8เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกรานั้น พระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เวเทหิบุตรผู้กรองแควมกฏทรงจัดกองทัพทั้งสี่คือกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถและผลเดินเทา้ายกไปรุกรานพระเจ้าปเสนที่โกศลทางแควกาสีพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาตศัตรู ผู้เบไทยบุตรกรองแคว้นมากดทรงจัดกองทัพอันประกอบด้วยองค์สีมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงได้ทรงจัดกองทัพอันประกอบด้วยองค์สียกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาตศัตรูป้องกันแคว้นกาสีในครั้งนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่ขนุนศน ทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้กรองแคว้นมคโคส่งชนะพระเจ้าประสทิ์ที่โกศลเป็นผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จยกทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์ครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองสบงหรือบาทและจีวรเข้าไปบินนาบาต ยังกรุงสาวัตถีรับจากการบินดาบาดในเวลาเป็นภายหลังอาหารจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่โคนข้างหนึ่งจะได้กราบทูลข่าวเรื่องการทำสงครามของพระเจ้าอาชาติศัตรูและพระเจ้าเปอร์เซนที่โกสลและกราบทูลความพ่ายแพ้ ของพระเจ้าเปรตที่โกศลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแกลนมคตมีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวฝ่ายพระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีวันนี้ พระเจ้าประเสริฐี่้ก่สนทรงพ่ายแพ้มาแล้วอย่างนี้จะบรรทมเป็นทุกข์ตลอดราตรีนี้พระผู้มีประภากจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อใบว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบ ย่อมนอนเป็นสุขปฐมสังขามาสูตรจบทุติยะสังขามาสูตรว่าเลยสงครามสูตรที่สองก็ในครั้งนั้นพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแวนมากฏทรงจัดกองทัพท่นานประกอบด้วยองค์สี่ยกไปรุกรานพระเจ้าเปรสินที่โกศล ทางแคว้นกาศีพระเจ้าเปรเสณที่โกศลทราบข่าวดังนั้นจึงยกทัพออกไปต่อสู้กระนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูกับพระเจ้าเปรเสรษฐีโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าเปรเศรษฐีโกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูและพระเจ้าอาชาติศัตรู ก็ได้ถูกจับเป็นจเจลยศึกกรณะนั้นพระเจ้าเปรเซนที่ก่อสนได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นบังคตนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถ และผลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปกรณ์นั้นเวลาเช้าพิกสูจําจำนวนมากครองสบงหรือบาดและจีวรเที่ยวไปบินดาตในกรุงสาวัตถีรับจากการบินดาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว นั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งจึงได้กราบทูลข่าวการรบและการถูกจับเป็นเชลยของพระเจ้าอาชาติศัตรูและการที่พระเจ้าเปเสนทิโกศลได้ยึดกองพลทั้งสี่และปล่อยตัวพระเจ้าอาชาติศัตรูไปในครนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่า คนจะแย่งชิงได้เท่าที่การแย่งชิงนั้นจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นจะมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นก็กลับถูกเขาแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใดคนพานย่อมสาคัญบาปว่าเป็นของดีเพียงนั้นแต่ว่าเมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ดา่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกำให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไป ทุติยสังขามสูตร